ะจเนี่ยเรื่องการการละสังโยชนสิบเนี่ยมันมีอาการยังไงครับผมอืมมันก็แล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาอะไรละการพิจารณามก็มีทั้งพิจนรณากายพิจาณาจิตมันก็มีแล้วแต่ว่าปฏิบัติกันแต่ยังไงมันก็คือต้อง ไม่ว่าจะพิจารณากายพิจารณาจิตก็คือการพิจารณาทั้งหมดก็เพื่อปล่อยวางร่างกายจิตใจเราเพื่อสิ้นความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายจิตใจว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราถ้าเราละได้สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นในเราเป็นตัวเราตัวตนของเราในเบื้องต้นคือพิจารณากายแล้วก็ใจมันปล่อยวางไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราคือใจมันพป่งปล่อยวางปร่ปล่อยวางพิจารณาตายต้องตายต้องตายต้องตายนอกไปผูพังสลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอาตัวตนไม่เจอ มาจากความไม่มีก่อนเกิดมาเป็นตัวเราก็ไม่มีเราสุดสุดก็ตายแตกดับสลายกลับคืนไปสู่ความไม่มีดังเดิมเราเป็นอย่างนี้มาหลายชาติแล้วไปเป็นเกิดหมุนวนไปเป็นสัตว์ไร้สารเป็นเอาแตกายสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นรูปร่างหน้าตาใหม่ๆเราก็ตายไปจากไม่มีเป็นสู่มีขึ้นมาเราจากมีก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีหมุนวนอย่างเนี้ยไม่มีที่จบสิน้นจนกว่าเนี่ยจะสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นว่า ร่างกายในแต่ละชาติเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือเราอ่ะคือตัวที่เป็นร่างกายรูปร่างไหน้าตานนั้นๆในแต่ละชาติแต่แท้จริงอ่ะเราแท้แท้คือวิญญาณวิญญาณแท้แท้วิญญาณแท้แท้ที่สิ้นความหลงความโง่ความยึดถือแล้วสิ้นวิชาแล้วเนี่ยเป็นแต่ความว่างเปล่าตัวตนไม่มีเรกไม่มีอะไรมีแต่เป็นวิญญาณที่มาวิญญาณที่เราเรียกว่าวิญญาณเข้ามาผสมกับสเปิร์มของพ่อไข่ของแม่แล้วก็แม่ก็ กินสักพืชสักสัตว์กินลมกินอากาศหายใจเอาไฟเอาความร้อนเข้าไปสันดาบกันไปเผาไหม้ทำปฏิกิริยากันภายในทําให้เป็นค่อยๆหยดเลือดโตขึ้นมาโตขึ้นมาจนหยดเลือดโตพอสมควรอยู่แล้วก็โตพอสมควรพร้อมที่วิญญาณจะเข้ามาได้แล้วเราแท้ๆคือวิญญาณแท้ๆเนี่ยก็มาแล้วมาเข้าผสมที่มาเข้าผสมได้เพราะมันยังมป็นอวิชาอยู่คือมันยังยึดร่าง เดิมๆในแต่ละชาติน่ะว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันจะไม่ได้ละทิ้งความหลงยึดมั่นถือมั่นคือยังไม่ได้พบตัวเราที่แท้จริงคือยังไม่ได้พบวิญญาณที่แท้จริงที่เป็นเราที่มลอยเข้ามาผสมมันไปยึดเอาไอ้ร่างใหม่ทุกร่างไปว่าเป็นตัวเรามันก็เลยเป็นอวิชาไปทุกร่างคือยังเป็นความโง่ไปทุกชาติเมื darling, อ cargo, ่อไรสิ้ค music, คนความโง่แล้ววิญญาณแท้ๆเน่ยวิญญาณที่สิ้นอวิชาเขาเรียกวิญญาณแท้ๆเหมือนทองแท้เนี่ยทองคําแท้พอสกัดเอาไว พวกแร่ธาตุที่ปนอยู่ผสมปนอยู่เนี่ยออกไปหมดแล้วก็เป็นทองคําแท้ๆสิ่งที่ผสมปนอยู่กับแร่แร่ทองคําใต้ดินเนี่ยก็เปรียบเหมือนเป็นอวิชาไอ้ทองคำแท้ๆก็เปรียบเหมือนกับเป็นวิญญาณแท้ๆหรือจิตดังเดิมแท้หรือใจใจเดิมแท้ใจแท้แท้ที่เป็นทองแท้ๆที่ไม่มีสิ่งที่ปนคือไม่มีอวิชาปนอันนั้นน่ยคือไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาการใดๆเลยไม่มีไม่มีไม่มีลูปพันสันฐานใดๆ ไม่มีกิริยาการไม่มีรูปพันธสถานใดๆไม่มีไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีผ่องใสไม่มีเส้าหมองไม่อาจคิดต่อปรุงแต่งได้ไม่มีรูปพันธสัณฐานใดไม่มียาวไม่มีไม่มีสั้นไม่มีหนาไม่มีบางไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีดวงไม่มีก้อนไม่มีอะไรสักอย่างเดียวเลยมีแต่รู้อย่างเดียวมีแต่รู้มีแต่ความรู้อย่างเดียวนัะนี่คือเราแท้ๆที่มาเข้าผสมแต่ความไม่รู้เนี่ย เรียกว่าความไม่รู้ก็คือเอาวิชาอาบแปลว่าไม่วิชาแปลว่ารู้อาวิชาคือความไม่รู้มันก็หลงเอายึดหลงยึดเอาไว้ร่างกายที่ผสมเสร็จในแต่ละร่างเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือเราคือตัวตนนั้นแล้วก็ลืมไปเลยว่าเราคือใครใครคือเรากันแน่แท้จริงเราแท้แท้คือวิญญาตแท้แท้หรือจิตแท้แจิตตั้งเดิมดจะแชหรือใจตั้งเดิอดจะแช่ที่ตัวตนไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเหลือสักอย่างเดียวมีแต่ความรู้ ไม่อาจคิดน be ึกตื่ตอมปรุงแต่งได้แต่พอเรามาผสมเสร็จปุ๊บคลอดปุ๊บออกมาแต่ละล่างบางล่างก็เป็นหมูหมากาไก่บางล่างก็เป็นสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานบางล่างก็เป็นนอนเป็นแมลงบางล่างก็เป็นเป็ดเป็นอาุรากายเป็นสัตว์นรกบางล่างกัเป็นเทพเจ้าดาเป็นมนุษย์รูปร่างต่างๆไปแล้วก็พอเกิดมาแต่ละล่างมันก็ไอ้ร่างที่คิดได้นี่แหละไอ้ร่างที่ผสมเสร็จที่เกิดมาใหม่รูปร่างเป็นรูปร่างใหม่ที่มันคิดนึกตื่ตอมปรุงแต่งได้ เอาไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเราเลยเอาไอ้ตัวเราที่คิดได้เนี่ยเป็นตัวเราเอาตัวเราเนี่ยที่มีความรู้สึกได้เป็นตัวเราเอาตัวเราที่คิดได้เนี่ยเป็นตัวเราเอาตัวเราที่รู้สึกอย่างงั้นรู้สึกอย่างนี้คิดอย่างงั้นปรุงแต่งอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างงั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไอ้นี่จะเอาวะนนี้ไม่เอาจิตดีจะเอาจิตไม่ดีไม่เอาเพราะี่ล้นผักใสอยากให้เป็นอย่างงั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ได้หรือไม่อยากให้เป็นอย่างงั้นไม่อยากให้เป็นอย่างเงี้ยเอาไอ้ตัวที่มันปรุงแต่งได้เนี่ยเป็นตัวเราแต่แท้จริงเราคือ วิญญาณแท้ๆหรือจิตดั้งเดิมแท้หรือใจตั้งเดิมแท้ปรุงไม่ได้นั่นปรุงปรุงแต่งไม่ได้เมื่อไหรเนี่ยเราปล่อยวางมีวิธีเดียวคือจะพบเราที่แท้จริงได้คือต้องปล่อยวางอไอ้ที่ปรุงแต่งทั้งหมดปล่อยวางสังขารร่างกายที่ปรุงแต่งปล่อยวางจิตที่มีความรู้สึก น, นกึกคิดอารมณ์ที่ปรุงแต่งได้เสียให้หมดมายึดเอาเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราก็จะพบวิญญาณตั้งเดิมแท้หรือว่าใจตั้งเดิมแท้หรือว่าไอ้จิตตั้งเดิมแท้ที่มันปรุงแต่งไม่ได้ เป็นใจที่มีแต่ความสงบมีแต่ความว่างเปล่าสงบสงัดว่างเปล่าไปทั้งธรรมชาติทั้งจักรวาลโลกธาตุไม่รู้สึกว่าว่างเปล่าภายในใจไม่รู้สึกว่าว่างข้างนอกมันเป็นมันว่างเบื้องว่างไพศาลไปเป็นอันเดียวกับธรรมชาติจักรวาลแล้วก็รู้ว่าบแบเนี้ยตัวมันเองอ่ะคือใจอ่ะมีแต่ความว่างไม่มีกิริยาการใดๆไอ้ที่มีกิริยาการใดๆทุกขณะปัจจุบันน่ะมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้มีความรู้สึกตัวได้มีความ ปรุงแต่งอยากนั่นอยากนี่ไม่อยากนั่นไม่อยากเนี่ยทุกขิยาการที่ปรุงแต่งได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันรู้แจ้งจากใจเลยแล้วมันก็มายึดที่ใจเลยมันก็เลยอยู่กับใจที่รู้หรืออยู่กับจิตเดิมแท้แท้ที่รู้หรืออยู่วิญญาณวิญญาณภาษาบาลีแปลว่ารู้อยู่กับวิญญาณเรียกว่าอยู่กับรู้หรืออยู่กับวิญญาณก็คืออยู่กับรู้วิญญาณก็คือเราแท้แท้นั่นแหละไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปอยู่กับวิญญาณหรือมีตัวเราไปอยู่กับใจ หรือมีตัวเราไปอยู่กับจิตเดิมแท้คือจิตเดิมแท้เน่ยคือเราแท้แท้ที่แต่เป็นเราที่คิดหนึ่งตองปรุงแต่งไม่ได้แต่ไอ้ตัวเราที่คิดหนึ่งตองปรุงแต่งได้มีความรู้สึกได้ปรุงแต่งอย่างนั้นปรุงแต่งอย่างนี้ยอันนั้นเราไม่ใช่เรามันเป็นตัวปรุงแต่งแต่เราเข้าใจผิดตัวมันก็เลยเป็นเอาวิชาเรื่อย ไ, ไ, ไปเป็นความหลงเป็นความไม่รู้อาจแปลว่าไม่วิชาแปลว่ารู้เอาวิชาเลยแปลว่าไม่ ร, ร, มรู้ทุกชาติไปเป็นความหลงทุกชาติไปเลยถามเลยอธิบายยาวเลยเข้าใจไหม นั้นวิธีปฏิบัติก็อย่างนี้แนะ่เมื่อท่านสิ้นความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เออถ้า่ถ้าะเปรียบไว้ตอนนี้หลวงตาไปเรียนกับสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสองวรถ้ากัเปรียบเทียบเป็นตัวเลขไว้ว่าเราสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นไปยี่ห้าเปอร์เซ็นตหรือหนึ่งในสี่ก็ได้บรรลุะโสดาบันเรียกว่ารักสังโยชน์ได้สาม ละสักยะทิฏฐิวิธิกิจชาสีละตะพมานเนี่ยละได้สามแล้วก็สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเนี่ยร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราปเราป็นตัวตนของเราแล้วเอาตัวเราไปยึดสิ่งต่ตางๆในโลกเนี่ยให้ปีกิเลสและความทุกข์สิ้นไปห้าสิบเอร์เซ็นตหรือหมดไปครึ่งหนึ่งก็เรียกว่าบรรลุสกิทาคามีลุสกิสกิทาคาเมีก็ทําให้อีกเบาบางไปอีกสามเนี่ย ราคาโทสะโมหะเบาบางหรือความโลภโกรธหลงเบาๆางไปอีกสามเหกแล้วหกแล้วแล้วก็พอปฏิบัติไปอีกปล่อยวางดูลาปล่อยวางไปทั้งร่างกายและจิตใจตัวเองที่เป็นสังขารปล่อยวางสังขารละสังขารกายสังขารจิตหรือกายยสังขารจิตสังขารปล่อยวางไปสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นไปแล้วเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนก็จะไม่หลงเอา ร่างกายที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นขันอ้าเนี่ยไปหลงยึดถือได้ใดในโลกหายไปแล้วเจ็ดสิบห้าเอร์เซ็นตเรียกว่าได้บรรลุอนาคามีบรรลุอนาคามียเนี่ยนี่พวกอันนี้ดับเลยไม่ใช่ว่าเบาบางนะสกิลาคาแค่ราคาโทสามโมหะเบาบ า, บางแต่พอถึงอนาคามีไยราคะมันดับสนิทและดับสนิทราคาไม่กระเพื่อมาในใจแล้วดับสนิท ดับสนิทหมายถึงว่าดับสนิทอย่างไรคือไม่ว่าจะปรุงแต่งยังไงไม่ว่าจะเอาหนัง x มาดูยังไงหนัง R าร์อะไรมาดูยังไงก็ตามเลดเเลด r อะไรต่างๆมาดูท่านบอกว่าจิตใจเนี่ยมันเหมือนกับเอาไม้สดตัดไม้สดมาไม้สดๆดนะแล้วแช่น้ำร้อยปีไม้สดสดมาแช่น้ำร้อยปีแล้วเอามาสีกันในน้ำอีก้าเกิดไฟไหม ท้งไม้สดด้วยแช่น้ำร้อยปีแล้วสีกันในน้ําอ่ะเริ่มจะเกิดไฟไหม้มสองต้นสีกันจะเกิดไฟได้ไหมฮะไม่ได้นั่นแหละพอถึงอนาคามีแล้วไฟราคะย่อมไม่กระเพื่อมขึ้นในใจเลยสีกันเท่าไหร่เอามาดูอันหนังเอกหนังอะไรมาดูเท่าไหร่ไม่กระเพื่อมไม่ไหวตัวเลยในใจแล้วก็พอสิ้นความหลงยึดม้านถือมา100้านร้อยเปอร์เซนตหรือว่า หมดเลยสี่สว่วนก็บราารลุพระอรหันต์นี่ก็สิ้นสางยสิบ